อาชญากรรมที่ร้ายแรงแทบทั้งหมดเป็นเรื่องของการละเมิดศีลธิ์5ในสังคมที่มากด้วยการสังหารพลานชีวิตการปองร้ายการทําร้ายกันการลักขโมยปล้นแย่งชิงการทําความผิดทังเพศมีคดีฆาตกรรมโจรกรรมการข่มขืนหลอกลวงการเสพของมึนเมาและสิ่งเสพติดตลอดจนการก่อปัญหาและอุบัติเหตุต่างๆเนื่องมาจากของมึนเมา และสิ่งเสพติดเหล่านั้นระบาดแพร่หลายทั่วไปชีวิตและทรัพย์สินไม่ปลอดภัยจะอยู่ไหนหรือไปที่ไหนก็ไม่มีความมั่นใจเต็มไปได้วยความห่วงใยวิตกกังวลจิตใจหวาดผวาบ่อยๆผู้คนพบเห็นกันแทนที่จะอบอุ่นใจก็หวาดระแวงกันอยู่กันไม่เป็นปกติสุขสุขภาพจิตของประชาชนย่อมเสื่อมโสมยากที่จะพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิต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 ศีลข้อหนึ่งปานาติบาตมีองค์5คือ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิด จ, จะฆ่า 4. มีความพยายาม 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นศีลข้อ2องินนาธานมีองค์หคือ 1. ของผู้อื่นหวงแหน 2. รู้อยู่ว่าเขาห่วงแหน 3. จิตคิดจะลัก 4. มีความพยายาม 5. ลักของได้ด้วยความพยายามนั้นสีลข้อ3กาเมสุมิชฉาจารมีองค์4คือ 1. อึอคมนียวัตถุได้แก่สตรีหรือบุรุษที่ไม่ควรละเมิด 2. จิตคิดจะเสพ 3. ม, มีความพยายามในการเสพสี่อย่างมักคืออวัยวะสืบพันธุ์ให้ถึงกันศีลข้อ4มุสาวาดมีองคศีคือหนึ่งเรื่องไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน 3. ม, มีความพยายามเกิดจากจิตที่คิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนนั้น 4. ผู้อื่นเข้าใจความที่พูดนั้น สีนข้อ5สุราเมรไรมีองศีคือ 1. สิ่งนั้นเป็นของเมา 2. จิตใคร่จะดื่ม 3. ม, มีความพยายามเกิดจากจิตที่ใคร่จะดื่มนั้น 4. กลืนให้ล่วงลำคอลงไปอันหนึ่งสำหรับสีนข้อหปัจจุบันสิ่งเสพติดที่เสพได้โดยวิธีการอย่างอื่นนอกจากดื่ม พึงจับเอาสาระมาเทียบเคียงด้วยสำหรับศีลข้อที่หนึ่งคือเว้นปาณาติบาตนั้นแม้ว่าการฆ่าสัตว์ท่านจะมุ่งเอาสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์เป็นหลักดังพุทธพจน์ที่ยกมาแสดงแล้วแต่สัตว์จําพวกที่เรียกว่าเดรัชานก็รักชีวิตรักสุขเกลียดทุกขเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ควรเบียดเบียนเช่นเดียวกันศีลข้อนี้ท่านจึงให้แผ่กลุมไปถึงสัตว์จำพวกเดรัชานด้วย แต่ยอมรับว่าการฆ่าสัตว์อย่างพวกดิรชานมีโทษน้อยกว่าการฆ่าสัตว์อย่างพวกมนุษย์ในเรื่องนี้อัทถกถาก็ได้แสดงหลักสำหรับวินิจฉัยว่าการฆ่าสัตว์ใดมีโทษน้อยหรือโทษมากโดยดูที่หนึ่งคุณสัตว์มีคุณมากฆ่าก็มีโทษมากสัตว์มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณก็มีโทษน้อยเช่นฆ่าพระอรหรันต มีโทษมากกว่าค่าปูตชนค่าสัตว์ช่วยงานมีโทษมากกว่าค่าสัตว์ดุร้ายเป็นต้น 2. ขนาดกายสำหรับสัตว์จําพวกเดรฉานที่ไม่มีคุณเหมือนกันค่าสัตว์ใหญ่มีโทษมากค่าสัตว์เล็กมีโทษน้อย 3. ความพยายามมีความพยายามมากในการฆ่ามีโทษมากมีความพยายามน้อยมีโทษน้อย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 มีโทษมากหรือน้อยตามคุณค่าของสิ่งของคุณความดีของเจ้าของและความพยายามในการลักกาเมสุมิจฉาจา์มีโทษมากหรือน้อยตามคุณความดีของคนที่ถูกละเมิดความแรงของกิเลสและความเพียรพยายามมุสาวาดมีโทษมากหรือน้อยและแต่ประโยชน์ที่จะถูกตัดรอนเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กน้อยและแล้วแต่ผู้พูดเช่น